ตอนนี้อากาศก็เริ่มหนาวจ า, จากเย็นก็ค่อยๆหนาวขึ้นอ น, นี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะห้ามได้ <relevance. S 1> เกิดขึ้นแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน ส่วนหนึ่งเราก็ทำได้ด้วยการหาผ้ามาหมให้หนาขึ้นเพื่อมาให้กายนี้หนาวแต่มันยังมีตัวหนึ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ในสิ่งนั้นไม่ใช่กายแต่ผิดใจนะ ใจที่ไม่ชอบความหนาวบางทีถึงขั้นกลัวแล้วพอเกิดความหนาวขึ้นมันก็เกิดความไม่พอใจเกิดโทสะขึ้น ใน้ตรงนี้นี่มันทำให้เป็นทุกข์นะยิ่งกว่าความหนาวที่เกิดขึ้นกับกายซะอีกนะให้เราใช้ความหนาวนี่มันเป็นอุปกรณ์สอนธรรมของเราสอนธรรมให้กับเรา ใช้ประโยชน์จากมันอย่าให้มันกระทํากับเราฝ่ายเดียวเราก็ใช้ความหนานที่เป็นเครื่องฝึกก็ได้ฝึกใจให้เราไม่ใช่แค่อดทนเพราะว่าอดทนก็ดีหรอกนะแต่ว่าบางทีก็ยังอดไม่ได้เชียบน บ่นพึมพำงุมงำอยู่ข้างในใจเนี่ยกำกืนฝืนทนไอตัวบ่นพึมพำเนี่ยในใจเนี่ ย, น, ย น, นี่มันทำให้ทุกข์มากขึ้นนไม่ใช่แค่กายทุกข์ใจก็ทุกข์ด้วยแล้วเราฝึกความอดทนก็ฝึกลองฝึกใจให้ยอมรับมัน ยอมรับมันด้วยใจที่เป็นกลางไม่ไม่ชอบไม่ชังมันถ้าจะพูดอย่างที่หลวงพ่อช้างเคยสอนเสร็จงก็พูดว่ า, าความหนาวมันไม่รบกวนเราเราต้องหาที่ไปรบกวนความหนาว ก็คือว่าแทนที่จะอยู่เฉยๆแทนที่จะสักตะว่ารับรู้ว่าหนาวใจมันก็ไปผักใส่ไปต่อสู้กความหนาวโดวยการบ่นพึมพำหรือว่าไม่ชอบ ต, ตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราควรจะมองให้เห็นมองให้ทะลุ อย่าไปคิดว่าที่เราทุกเนี่ยเป็นเพราะว่ามันหนาวกายอย่างเดียวมันมีอีกตัวหนึ่งที่ซ้อนขึ้นมาหรือว่าซ่อนอยู่นะก็คือความความทุกข์ใจในะตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์อย่างหนึ่งนะ น, นี้ก็ต้องสาวว่ามันเกิดจากอะไรอะไรคือสมุทยัย ความทุกข์ใจเกิดจากอะไรนะนันเกิดจากใจที่เป็นลบรู้สึกลบนะต่อความหนาวนะมันไม่ใช่ตัวความหนาวที่เป็นสมุตไทยนะความหนาวไม่ใช่สมุตไทยแต่ใจที่รู้สึกเป็นลบกับความหนาวเนะี่ยคือตัวสมุตไทยนะพอถึงอาการหนาวนะแต่ว่าถ้า ใจเราเฉยๆหรือว่าเราสึกคุ้นเคยกับมันนะมันก็ไม่เกิดความทุกข์ใจขึ้นนั่จึงบอกว่าความความหนาวนี่ไม่ใช่เหตุแห่งความทุกข์ใจไม่ใช่สมุทยัยเวลาพูดถึงสมุทัยนี่เราก็จะพูดไปถึงเหตุนะแห่งความทุกข์โดยเน้นที่ความทุกข์ใจ ถ้าเป็นเรื่องของเรื่องของทุกกายนี่ก็เป็นงานของหมอนะเป็นงานของอพยาบาลนะหรือเป็นงานของพ่อแม่ลูกหนาวก็หาเสื้อผ้ามาหม่มหรือว่าเจ็บป่วยก็หายูคขายามาอันนั้นเป็นเรื่อ ง, องทุกขเวทนาทางกายมันก็มีสมุทัยของมันแต่ถ้าเป็นทุกขใจนี่สมุทัยหรือสาเหตุ ก็คือเนี่ยความรู้สึกลบนะต่อความหนาวไม่ชอบหรือว่าอยากให้มันไม่หนาวไอ้ความอยากให้มันไม่หนาวอยากให้มันหายหนาวเนี่ยนั่นก็เรียกว่าตัณหามันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะพอไม่ชอบอะไรก็อยากให้มัน ไ, ไกลๆอย่าให้มันหดหายไปหรือว่าอยากจะผักไส่มันความโกรธความเกลียดความกลัวมันก็มาพร้อมกับความอยากโกรธอะไรก็อยากจะทําลายสิ่งนั้นอยากจะหนีสิ่งนั้นอยากจะไปให้ไกลจากสิ่งนั้นเกลียดกลัวก็เหมือนกันใหอเราพิจรนารณาว่าเวลาเกิด นะอาการนาเปนเนี่ยมันมีความทุกข์นะก็อย่าปล่อยให้มันทุกข์ฟรีๆอย่างที่เคยพูดไว้นะที่หลวงปู่ขาท่านบอกว่าอย่าไปอยากหายนะจากทุกขเวทนาอันนี้ท่านพูดกับคนป่วยนะแต่ว่าเอามาใช้กับบรรยากาศแบบนี้ได้เหมือนกันแม้ว่า ทุกขเวทนามันจะเบาบางกว่าเยอะนะมาเที่ยวความป่วยจะไปอยากหายจากทุกเวทนานะให้อยากรู้อยากเห็นความจริงของทุกขนะีความจริงของทุกเนี่ยจะมีความทุกขใจเนะี่ยต้องเห็นก่อนนะว่าทุกขใจแนะส่วนใหญ่มองไม่เห็นน้ำเห็นแต่ความทุกขกายนะนะเวลาป่วยเนี่ยก็คนส่วนใหญ่ก็เห็นแต่ความ ความป่วยกายนะีแต่ว่าไม่ได้เห็นความป่วยใจแต่ถามว่ามีความทุกข์ใจม้วก็มีนะแต่บางทีก็ไม่สังเกตนะนี่เราต้องรู้ก่าว่าเวลนานาจะมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ทุกข์กายทุกข์ใจเกิดอะไรนะก็เกิดความไม่ชอบความรู้สึกเป็นลบนะ อันนี้เป็นเป็นงานของสตินะที่เราควรจะตามรู้นะตามรู้เข้าไปใช้สติใช้ความรู้สึกตัวมันก็จะเห็นอ๋อเราไม่ได้แค่หนาวกายนะไม่ได้แค่ทุกข์กายมันทุกข์ใจด้วยแล้วในความทุกข์ใจนี่มันก็จะมีมันก็มีเหตุมาจากความไม่ชอบความรู้สึกลก และไอความรู้สึกลมเนี่ยมันก็ไม่เพียงแต่เป็นเป็นเหตุของความทุกข์ใจนะมันยังเป็นผลของความทุกข์ใจด้วยนะเพราะว่าพอทุกข์ใจแล้วมันก็จะยิ่งไม่ชอบเข้าไปใหญ่นี่ยมันก็จะบ่นววยวายตีโพติภายนะเกิดโทสะนะให้เรามีสติเห็นนะอาการของใจอย่างนั้นและถ้าเราเห็นแล้วนี่นนะมันก็ ทำให้ใจนี่การเป็นปกติได้นะใจมันบ่นกับปอกแปรเนี่ยมันทำํำไปเพราะไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัวแล้วมันก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าการทำแบบนั้นก็ทําให้เป็นเกิดทุกข์มากขึ้นทุกข์ทำให้บ่นทําให้โวยวายตีโพยตีพายและการบน่นตีโพยตีพาย ก็ไปสั่งเติมความทุกข์เนะี่ยมันเป็นทั้งเหตุและผลนะเนี่ยลองพิจารณ า, านี่แหละนะก็ใช้บรรยากาศแบบนี้เวล า, านี้ในการฝึกสติของเรานะฝึกให้เห็นนะเห็นกายการมันหนาวเห็นแล้วก็เออมาเห็น ใ, นใจมันทุกข์เรนะก็เห็นอันนี้ยอันนี้เราว่ารู้เวทนา เวทนามีทั้งเวทนาทางกายเวทนาทางใจแล้วก็เห็นต่อไปรู้ว่าจิตมันบน่นเกิดความไม่พอใจเกิดโทสะอันนี้เรื่องอะเห็นจิตเนะี่ยเวทนาก็อันหนึ่งนะความไม่พอใจก็อันนึ่งนะมันแยกกันนะอย่างพระอรหันต์ี่ท่านก็มีเวทนาผู้เจ้าท่านก็มีเวทนาแต่ว่าไม่มีความโกรธไม่มีความหงุดหงิดนะ เมื่อมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องแยกกันเวทนาก็อนหนึ่งจิตก็อนหนึ่งไอ้ความไม่พอใจนี่ก็เรียกว่าเป็นจิตตสังขารเรียกยอ่อว่าจิตนี่บางทีก็เรียกว่าสังขารเฉยการปรุงแต่งนะจริงคนเราทุกขภาวามปรุงแต่งนั่นแหละไอ้ความทุกขใจทั้งมวลของเราเกิดความปรุงแต่งไม่ใช่เกิดไ ม, ไม่เกิดเกิดเพราะอาการหนาวแดดร้อน หรือความเจ็บป่วยหรือว่าถูกต่อว่าด่าทอแบางคนโดนด่าโดนว่าก็ยังยิ้มได้หัวเราะได้เนี่ยถ้ากาต่อว่าด่าทอเป็นเหตุแห่งทุกทุกคนที่โดนว่าโดนด่าก็ต้องเสียใจต้องโกรธแต่ก็มีหลายคนเฉยยิ้มน อย่างที่เคยเล่ากันก่อนเน่ลูกศิษย์ลงปูคขามันด่าแม่ชีด่าด่าด่าด่าอยู่หน้ากุฏิแม่ชีก็ยิ้มพนมมือพนมมือแต้แล้วเ่าไม่รู้ว่าท่านจะด่าไปทำไมหรือว่าทำไมถึงด่ายิ้มแล้วก็ บอกว่าขอบคุณมากเลยที่ด่ามันทําให้ช่วยลดละกิเลสได้นที่จริงกิเลสก็ลดละไปโยอะแล้วนะถึงไม่โกรธนะแล้วที่ไม่โกรธก็เพราะเห็นว่ามันมีนมประโยชน์ไงมันช่วยลดละกิเลสได้เราก็ยังถามมันนี่โอ้ยอยาให้ท่านด่าอีกนะไม่ใช่บอกบอกพาอยากให้ท่านด่าอีกนะด่าแล้วมันฟังแล้วมันซาบซึ้งใจเลยเออ นี่ท่านแม่ชีไม่ปดู้ดประชดนะด้วยความรู้สึกสานัญบุญคุณเพราะเห็นเป็นของดีเ น, นี่ยเมื่อนี้บอกว่าคำ ว, ว, ว่าดาวธรเป็นเหตุให้เราทุกข์ไม่ใช่เหตุให้ทุกข์นี่มันอยู่ที่ข้างในไม่ใช่อยู่ที่คาพูดหรือลมปากเขาข้างในใจเนี่ยใจที่ อยาให้เขาชมอย่าให้สร้อยเขาสรรเสริญหรือใจที่มันยึดติดเนี่อัตตายิ่งทองอําดีก็อยากให้คนชมอยากให้คนยกย่องหรือว่าอย่างนรกก็เฉยแต่ถ้ามาต่อว่านี่ถ้ายิ่งทําดีมาเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นทุกข์นะถ้าไปยึดมันไปยึด ไปยึดในผลแห่งความดีนะอันนี้ได้พูดไปก่อนแล้วเนี่ยทำความดีแล้วก็ผลแห่งความดีคือคำสารเสวนะหรือว่าคำลุกย่องหรือว่าเงินทองทรัพย์สมบัติผลกำไรนี่พอไปยึดติดมันเข้านะ หรือไม่พิจารณานะ่มันก็กลายเป็นพิษทันทีนะนี้วิจารเพยตาพระนาคินทิยะผู้ใดที่เขาว่าถ้าบอกว่าพ้นในความดีจะกลายเป็นพิษนะกับผู้ไม่พิจารณาหรือว่าไม่พิจาราก็เลยลงไหลมัวมาแล้วประมาทนะี่ทําความดีมีคนชมก็ไปยึดในในคําชมก็กลายเป็นพิษนะพอเขาไม่ชมบอกเขา แค่ไม่ชมก็ทุกข์แล้วล่ะไม่กดไลค์ก็มุนมองแล้วยิ่งเขาต่อว่าด้วยยิ่งไม่พอใจยิ่งโกรธยิ่งเป็นทุกข์อันนี้เนี่ยมันทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันเป็นเรื่องของใจมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจ ก็มีส ต, ติตามทันนะก็ไปเห็นในตัวเนี้ยคือถ้าดูดูนะดูใจนะดูใจไปเรื่อยๆก็จะเห็นในตัวเนี้ยที่มันซ่อนอยู่นะในการเจริญสติเราเราต้อ ง, ตองทำให้เป็นนะไม่ใช่แค่รู้กายนะหรือว่ารู้ ใจเมื่อมันคิดนึกฟุ้งซ่านรู้กระทั่งว่าเวลามันทุกขนะ์เนี่ยแม้ว่าด้วยความโกรธความเกลียดความกลัวก็เห็นว่ามันเกิดจากอะไรนะแล้วก็ไปแก้ที่ตรงนั้นแหละนิโรธอยู่ที่ตรงนั้นแหละนะนิโรธอยู่ตรงนั้น นิโรดไม่ได้เกิดจากการที่ว่าอาการมันหยุดหนาวมีแดดส่องนะกลับมาอุ่นอีกครั้งนะอันนั้นมันเป็นเรื่องความไม่ทุกข์กายเนะี่ยเรื่องความไม่ทุกข์ใจนี่นิโรดก็อยู่ที่ตรงสมุทัยที่มันหายไปนั่นคือเมื่อใจนะไม่มีความอยากให้มันหนาว ใจไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองหรือว่าชังมั น, นทำอย่างไรนะมักคำตอบคือตัวมักก็คือการเจริญสตินั่นแหละมีสติรู้ทันแล้วก็มีปัญญาที่คอยสอดส่องสาวหาว่าออมันทุกข์ใจเพราะอะไระมันไม่ใช่เรื่องยากนะใ ช, ใช้ใช้อริยสัจสี่นี่มามา เอาไอ้เอาฤ า, า, าีมาใช้กับเราในตอนที่เกิดทุกข์เพราะความหนาวนะ่มันเป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่ไม่ได้ยากอะไรแต่ถ้าเอาถ้าเรามัวแต่ทุกข์เพราะหนาวแล้วก็เอาแต่บ่นไว้วายนะมันก็ไม่ได้อะไรมันก็ไม่เกิดไม่เกิดประโยชน์นะจากบรรยากาศแบบนี้ต้องรู้จัก เจอโอกาสเจอโอกาสไม่ว่าในสถานการณ์ใดใ่ช่นเดียก็ตอนเดินธรรมยัตรากายมันร้อนทางมันไกลกลายมันเหนื่อยก็เห็นด้วยว่ามไม่ใช่แค่เหนื่อยกายนะที่เกิดขึ้นซ้อนๆกันนะคือความเหนื่อยใจและความไม่พอใจ ใจที่มันวนมวอรวายตีปรีพายนี่ต้องเห็นเรื่องตามรู้ตามทันแน่จริงเนี่ยความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่เกิดจากความไม่พอใจหรือความสึกผักอยากจะผักใสความหนาวไปนะซ้อลงไปก่อนนั้นเนี่ยลึกไปก่อนนั้นเนี่ยมัน มีความยึดติดถือมั่นว่าในความทุกข์กายเนี่ยนะมันเป็นเราทุกข์มันไม่ใช่แค่เห็นไม่ใช่แค่กายหนาหรือว่าส่วนเราหนาวเราหนาวมันมีความรู้สึกตัวนี้ซ้อนเข้ามาลึกเข้าไปไอ้ตัวนี้เราก็เป็นตัวกายทาให้ทุกข์ใจ ไปยึดว่าไปยึดกายเป็นเราเป็นของเราต่อกายมันหนาวก็เลยไปทึกทักสำคัญว่ากูหนาวกูหนาวในตรงนี้แหละคือตัวการสำคัญเลยซึ่งมันต้องใช้สตินะที่เห็นนะถึงจะรู้ คนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นหรอกนะเพราะว่าเอาแต่บนเอาแต่โวยวายไม่ค่อยกลับมาดูใจจิตมันส่งออกนอกมันยิ่งไม่พอใจความหนาวก็มันก็จึงัก็พุ่งไปที่ข้างนอกเมื่อไหร่แดดเมื่อไหร่อาทิตย์จะขึ้นหรือว่าเมื่อไหร่จะหรือคิดหาว่าเออถ้า สารานีนะ้ทำตีฝาให้ให้ดีนะมันก็จะช่วยทำให้อุ่นขึ้นนะคิดไปอย่างนั้นไมไม่ได้หวนกลับมาดูเอ้ใจมันทุกข์เพราะอะไรไอตรงนี้แหละความไปยึดมั่นถือมันว่ากลายเป็นเราเป็นของเราความหนาวก็เลยเป็นเราเป็นของเราไปด้วยก็กลายเป็นเราหนาวเราหนาว จึงนั่นจึงบอกได้เลยนะว่ามันอันนี้เกิดขึ้นกับความป่วยเลยนะเวลาป่วยเนี่ยมันเนื้อกายป่วยเยอะก็ชาวเราป่วยหรือกูป่วยเวลาเมื่อยเวลาปวดเมื่อยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เมื่อยกายเดี๋ยวไม่ใช่เมื่อยเท้าเมือม่อยเมื่อยขาเดียวมันมีความรู้สึกหนึ่งที่ซ้อนขึ้นมาคือกูัวปวดกูเมือเ่อย ให้จึงบอกว่าบอกได้ ว, ว่าทุกครั้งเวลาทุกเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่ได้ทุกกายเนี่ยมันทุกใจด้วยผู้อย่างนี่คนทั่วไปก็มองก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะแต่ว่านักปฏิบัติก็จะเริ่มเข้าใจว่าเวลาเราทุกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุกกายยมันทุกใจมันมีความทุกข์ใจซ้อนขึ้นมาแล้วความทุกข์กายของคนเราเนี่ยมันมีมิติด้านจิตใจ มันเป็นเรื่องของจิตใจที่ซ้อนเข้ามาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเพราะความไม่พอใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายหรือเป็นเพราะไปยึดนะเอากายเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่กายที่ทุกข์นะแจะเป็นเราทุกข์ เราปวดเราเมื่อยเราร้อนเราหนาวแต่สติไม่ช่วยทำให้วางได้เหมือนกันนะบอไม่เห็นพอมันไปยึดนะเห็นพอพอรู้ว่าใจมันไปยึดเนาะมันมีตัวกูขึ้นมาเนี่ยมันช่วยสลัดช่วยวางได้แต่สติที่ว่านต้องเกิดจากการฝึกนะฝึก ฝึกเวลาเดินจงกรมเวล า, เาสร้างจังหวะเวลาเราทำกิจเมื่อเราทำด้วยความรู้สึกตัวทำด้วยความรู้ตัวมันก็จะเห็นวนะ่าอ๋อเวลาทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เราทำนะมันเป็นกายที่ทำอาบน้ำถูฟันเดินนะยกมือสร้างจังหวะนี่มัน ไอ้ที่เคลื่อนเนี่เป็นรูปนไม่ใช่เราเคลื่อนไม่ใช่เรายกไม่ใช่เราเดินมันเป็นรูปที่เดินเวลาคิดเวลานึกมันมีความผิดใดเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เราคิดนะแต่ว่ามันมันเป็นใจที่คิดหรือว่ามันมีความคิดความปรุงแต่งเกิดขึ้นที่ใจสติมันทำให้เห็นนะมันเกิดการแยกขึ้นมา เป็นกายกระใจเป็นรูปกับนามแต่ก่อนเห็นก็เป็นเราเราเราหมดนะแต่ตอนนี้มันแยกย่อยออกมาเป็นรูปกับนามหลวงพ่เห็นใช่เขาถลุงนะมันก็จะถลุงแร่นะถลุงแร่นะก้อนแร่นี่ถ้าไม่ถลุงก็เห็นเป็นก้อนงคนะ่นั้นแต่พอถลุงแล้วมันก็จะแยกเป็นส่วนส่วนนะดีบุกบ้างนะขี้แร่บ้างบางทีก็มี ใครทันเนี่ยมมังในสารพัดนะมันแยกออกมาการเจเริญเสกคือการมองความจรงิงนะให้มันไม่ใช่เหมารวมนะแต่มันแยกออกมาจากที่เคยเป็นเราเราเราเราเรามันก็แยกมาเป็นรูปกับนามนะไอ้ชี่อคื่าเป็นรอมก็เกิดจากการปรุงแต่งนะปรวงแต่งขึ้นมา นี่เราก็เรียนรู้ได้นะจากความหนาวนะเพียงแค่รู้เวทนารู้จิตเนี่ยนะรู้กายด้วยมันก็เกิดขึ้นไปได้พร้อมกันนะกายมันหนาวมันไม่ใหหนาวคือกายมันมีปฏิกิริยาเช่นอาจจะสัน่นอาจจะเกรง็งนะอันนี้ก็รู้กายด้วยนะกายมันอยากจะขยันขยับขยื่น ให้หายหนาวรยาการนั้นเราก็เรียนฝึกเรื่องการรู้กายรู้เวทน า, นะาก็ดูไปแต่ก็อย่างที่บอลนะส่วนใหญ่ไม่ได้รู้เวทนานะมันเป็นเลยนะมันเข้าไปเป็นมันไม่ใช่แค่รู้ไม่ใช่แค่เห็นไมไ่เห็นความหนาจะเป็นพูดหนาวนะ รู้จิตนะเห็นจิตนะก็คือว่าเห็นจิตที่ใจที่มันบนวุ่นวายตีโพยตีปลายใจที่มันไม่ชอบใจที่มันชังอยากจะผักใสแล้วถ้ารู้ไปรู้ปมันจะเห็นเห็นเรื่องแบบว่าไม่ใช่แค่ใจที่ผักใส่เท่านั้นนะที่มันทำให้ทุกขนะ์แต่ว่าเพราะความไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรา ตัวนี้อย่างที่บอดสเตยมันช่วยทำให้วางได้ทำให้จิตมันวางไม่ไปยึดนะหนาวก็เป็นเรื่องของกายไปนะใจก็แค่รับรู้เฉยๆนะมันไม่มีความรู้สึกว่ามันมีเราเป็นผู้หนาวแอ้นะความรู้สึกตัวเนี่ยหรือสเตยมันมันทำให้เห็นความจริงถ้าไม่เห็นความจริงแล้วมันทำให้ ไม่เผลอเข้าไปยึดเราเข้าไปยึดเพราะเราไม่รู้ตัวนะแล้วเราบ่นเราวอยวายก็เช่นเดียวกันเพราะเราไม่รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวพว่มนี่จิตมันกลับเป็นปกติไอ้ที่เคยแบกอะไรไว้มันก็วางแต่มันชั่วคราวเท่านั้นนะพอเดี๋ือสติก็ไปแนะความรู้สึกตัวก็หายก็ไปยึดใหม่ เช่นเดียวกับเวลาเราโกรธใครเนี่ยรู้สึกตัวพูดมันก็มันก็หายมันก็สะดุดไปสักพักพอไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวโกรธใหม่จะทําบ่อยๆฟัาางบ่อยๆนะมีความรู้สึกตัวตอนนึกบ่อยๆนะมีสติรู้ทันในความโกรธก็จะค่อยค่อยๆบรรเทาเบาบางลงเหมือนกับรถที่วิ่งแรงๆ แ, แล้วเบรกนะ เบรคครั้งแรกก็ยังไม่หยุดนะแต่เบรคอย้ำๆๆไปมันก็ค่อยๆชะลอลงจนกระทั่งหยุ ด, ด, ดนิ่งกับที่เมื่อเราพอเราเราใช้สติเนี่ยใช้ความหนาวนะมาเป็นโอกาสในการฝึกสติต่อไปเราก็อไปใช้กับเหตุการณ์ต่าๆไดด้วยนะ กลับไปกรุงเทพนะเจอรถติดอ่าก็ดูมันซะดูใจนะกายมันคงไม่มีอะไรนะแต่ว่าใจนี่ใจมันงุดหศิบไม่พอใจมันคิดไปถึงอ น, นาคตคิดว่าติดแบบนี้ฉันต้องกลับบ้านดึกแน่เนี่ยพอคิดแค่นี้ก็ใจก็ยิ่งวิตกเข้าไป อ, อันนี้เรียกว่าใจมันอยู่กับปัจจุบันแล้วใจไปอนาคตแล้วเมื่อไปอนาคตเปความมันปรุงแต่งด้วย ถึงตอนนี้กายก็เริ่มเลยนะกายก็เริ่มนะเริ่มเครียดเริ่มตึงนะตึงก็ไม่รู้ตัวนะจนกระทั่งก็เกล่เกรงตึงไ้สักเป็นช่วงชั่วโมงมันก็เริ่มเริ่มปวดเริ่มเมื่อยนะนะบางทีก็น่านี้คี่ขมวดนยนะเราไม่สังเกตกายแต่พอเรารู้กายออมันผ่อนคลายผ่อนคลายทั้งกายและใจจิต ก, ก็มีอยู่กับปัจจุบันนะ ไม่เปิดช่องให้ความมีเข้ามาครอบงำกดดันบีกพันใจกลับไปทำถึงบ้านเวลาลงเึื่อนทำงาน เ, าเจอรถติดเราก็ปล่อยวางมันได้อยู่กับปัจจุบันได้ยังมีความสุขเห็นสุขทุกขณนนะละทุกได้ไวนะ อันนี้เพอเาะอเพราะใจตื่นรู้อยู่เสมอนะเห็นสุดทุกขณะเราทุกได้วายใจตื่นรู้เสมอน่ไปทำงานเจอปัญหาเจ้าประศักนะเจอการกระทําที่ไม่ น, าน่ารักของเพื่อนร่วม ง, งานของเจ้านายเออเราก็รู้ทันนะความไม่พอใ จ, จเกิดขึ้นในใจนะ เราสังเกตเห็นลมหายใจที่มันทีหายใจลมหายใจที่มันสั้นนะเพราะความเครียดเพราะความไม่พอใจเพราะความโกรธอ่ะล้วก็กลับมาหายใจปกติผ่อนคลายทําความรู้สึกตัวเกิดขึ้นน่ใช้ทุกโอกาสนะทุกสถานาให้เป็นเป็นเครื่องฝึกสติสร้างความรู้สึกตัว เรีรู้ในการปล่อยการวางได้อย่างรวดเร็วแล้วแข่กันก็เอาสิ่งเหล่านั้นแหละมาใช้เพื่อทําให้การทํางานและการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะมันมีคุณภาพใหม่อันนี้มันทาให้เกิดเป็นชีวิตใหม่ได้นะเป็นชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องมีอะไรใหม่รถคันใหม่บ้านหลังใหม่งานใหม่ ผูครองคนใหม่ไม่ยันเป็นนะทุกอย่างยังเหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือใจนะที่มีคุณภาพใหม่นะเพราะว่ามีสติของศึกตัวให้ฝึกเอาไว้นะเห็นสุขทุกขณะนะลาทุกได้ไวนะใจตื่นรู้เสมอเนี่ยอันนี้ช่วยเราไม่ถ้าชิงเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยใหม่เสมอในะหม่ทุกวัน ไม่ตลอดเวลาชาตนี้คุยกันทนนี้นะ